ท่านพัตราวุทูนถามว่าข้าแต่พระวีระชนต่างๆจากชนบททั้งหลายมาชุมนุมกันในที่นี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ ขอพระองค์โปรพยาก์ปัญหาแก่ชนเหล่านั้นให้แจมแจ้งด้วยเถิดเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงทราบชัดแล้วคำว่าชนต่างๆในคำว่าชนต่างๆจากชนบททั้งหลายมาชุมนุมกันในที่นี้ได้ แ, แก่กระยัพราหมณ์แพทย์สูตรครหัสบันปชิตเทวดาและมนุษย์คำว่าจากชนบททั้งหลายมาชุมนุมกันในที่นี้ อธิบายว่าจากแคว้นอังคะมะคตกลิงคะกาสีโกสนวชัชีมัลละวังศะปุรุปัญจาละมัชชะสุระเสนะอัศกะอวันตีโยนะคันธาระและกัมโพชะคำว่ามาชุมนุมกันในที่นี้อธิบายว่ามาชุมนุมกันคือมาพร้อมกันมารวมกัน มาประชุมกันในที่นี้รวมความว่าชนต่างๆจากชนบททั้งหลายมาชุมนุมกันในที่นี้ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าวีระคำว่าข้าแต่พระวีระในคำว่าข้าแต่พระวีระหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระตํารัสของพระองค์อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคผู้วีระ มีพระวิริยะจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงองอาจจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงให้ผู้อื่นภาคเพียรจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงสามารถจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงหมดความขนพองสยองกล้าจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงเว้นขลาจากบาปทำทั้งปวงในโลกนี้ ก้าวล่วงทุกข์ในนรกทรงอยู่ด้วยความเพียรทรงมีความเพียรมีความมุ่งมั่นแกล้วกล้ามั่นคงเรียกได้ว่าทรงเป็นอย่างนั้นคําว่าข้าแต่พระวีระหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระดำรัตของพระองค์ได้แก่พระดำรักคําที่เป็นแนวทางเทศนาคําพร่ำสอนคําว่าหวังเป็นอย่างยิ่งอธิบายว่า หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังคือต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังรวมความว่าข้าแต่พระวีระหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระดำรัสของพระองค์คำว่าแก่ชนเหล่านั้นในคำว่าขอพระองค์โปรดพยากรปัญหาแก่ชนเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดอธิบายว่าแก่ชนเหล่านั้นคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย สูรครหัตบรรปะชิตเทวดาและมนุษย์คำว่าพระองค์เป็นคำที่พราหมเรียกพระผู้มีพระภาคคำว่าโปรพยากรปัญหาให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดอธิบายว่าขอพระองค์โปรตรัสบอกคือแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดรวมความว่า ขอพระองค์โปรพยากรปัญหาแก่ชนเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดคำว่าเพราะว่าทํานี้พระองค์ทรงทราบชัดแล้วอธิบายว่าเพราะว่าพระองค์ทรงทราบแล้วคือทรงรู้แล้วเทียบเทียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจางแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วรวมความว่าขอพระองค์โปรพยากรปัญหาแก่ชนเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งด้วยเถิด ด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระวีระชนต่างๆจากชนบททั้งหลายมาชุมนุมกันในที่นี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระดำรักของพระองค์ขอพระองค์โปรพยากรปัญหาแกชนเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงทราบชัดแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพัทราวุธนรชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงทั้งชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเพราะสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันใดใดในโลกมานย่อมติดตามจัดเพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นนั่นแลคำว่านรชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงอธิบายว่ารูปปัญหาตรัสเรียกว่าเครื่องยึดมั่น คำว่าเครื่องยึดมั่นอธิบายว่ารูปปัตนหาท่านเรียกว่าเครื่องยึดมัน่นเพราะเหตุไรเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมยึดถือเข้าไปยึดถือคือถือยึดมัน่นถือมั่นรูปด้วยตันหานั้นได้แก่สัตว์ทั้งหลายย่อมยึดถือเข้าไปยึดถือคือถือยึดมัน่นถือมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติอุบัติปฏิสนธิ ภพสงสารวัตะเพราะเหตุนั้นรูปปัญหาเป็นต้นนั้นท่านจึงเรียกว่าเครื่องยึดมั่นคำว่านรชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงอธิบายว่านรชนควรทำลายคพ อ, อ, อพึงประจัดละบันเทาทาให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความยึดมั่นทั้งหมดรวมความว่านรชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวง คำว่าพัทราวุธในคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพัทราวุธเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจิกาบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพัทราวุธ คำว่าทั้งชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางอธิบายว่าอนาคตตรัสเรียกว่าชั้นสูงอดีตตรัสเรียกว่าชั้นต่ำปัจจุบันตรัสเรียกว่าชั้นกลางกุศลธรรมตรัสเรียกว่าชั้นสูงอกุศลธรรมตรัสเรียกว่าชั้นต่ำอัพยาคตธรรมตรัสเรียกว่าชั้นกลางเทวโลกตรัสเรียกว่าชั้นสูง อบายโลกตรัสเรียกว่าชั้นต่ำ ม, มนุสยโลกตรัสเรียกว่าชั้นกลางสุขเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นสูงทุกเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นต่ำอทุกขมสุขเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นกลางอรูปธาตุตรัสเรียกว่าชั้นสูงกามธาตรัสเรียกว่าชั้นต่ำรูปธาตรัสเรียกว่าชั้นกลาง เบื้องสูงจากฝ่าเท้าขึ้นไปตรัสเรียกว่าชั้นสูงเบื้องต่ำจากปลายผมลงมาตรัสเรียกว่าชั้นต่ำตรงกลางตรัสเรียกว่าชั้นกลางรวมความว่าทั้งชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางคำว่าพราะสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันใดใดในโลกอธิบายว่าเพราะสัตว์ทั้งหลายยึดถือเข้าไปยึดถือคือถือยึดมั่น ถธอมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดๆคำว่าในโลกอธิบายว่าในอบายโลกอายตนะโลกรวมความว่าเพราะสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันใดๆในโลกคำว่ามารย่อมติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นนั่นแลอธิบายว่าขันตมารธาตุมารอายตนะมารคติมาร อุบัติมานปฏิสนธิมานภาวะมานสงสารมานวัตตมานอันมีในปฏิสนธิเย่อมติดตามคือไปตามเป็นผู้ติดตามไปด้วยอํานาจกรรมาพิสังขาร น, นั้นนั่นเองคำว่าสัตว์ได้แก่ผู้ข้องชนนรชนมานพ บ, บุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์ รวมความว่ามารย่อมติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นนั่นแลด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพัทราวุฒนรชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงทั้งชั้นสูงชั้นต่าและชั้นกลางเพราะสัตว์ทั้งหลายเ็้าไปยึดถือขันใดในโลกมารย่อมติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นนั่นแล มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดเพ่งพิจารณาหมู่สัตว์นี้ผู้ติดอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุราชว่าเป็นผู้คล้องอยู่ในเครื่องยึดมั่นควรเป็นผู้มีสติไม่พืงเข้าไปยึดถือเครื่องกงวลในโลกทั้งปวงคําว่าเพราะฉะนั้นในคําว่าเพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดไม่พึงเข้าไปยึดถืออธิบายว่าเพราะฉะนั้น คือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นภิกษุเมื่อมองเห็นโทษแห่งตัณหาเครื่องยึดมั่นนี้รวมความว่าเพราะฉะนั้นคําว่าเมื่อรู้ชัดอธิบายว่ารู้อยู่รู้ชัดรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดอยู่ได้แก่รู้อยู่รู้ชัดรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดอยู่ว่า สังขานทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดรวมในความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าไม่พึงเข้าไปยึดถืออธิบายว่าไม่พึงยึดถือไม่พึงเข้าไปยึดถือไม่พึงถือไม่พึงยึดมั่นไม่พึงถือมั่นรูปไม่พึงยึดถือไม่พึงเข้าไปยึดถือไม่พึงถือไม่พึงยึดมัน่นไม่พึงถือมั่นเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณปฏิอุบัติปฏิสนทิพบสงสารวัตตะรวมความว่าเพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดไม่พึงเข้าไปยึดถือคำว่าภิกษุในคำว่าภิกษุควรเป็นผู้มีสติเครื่องกังวลในโลกทั้งปวงได้แก่ภิกษุผู้เป็นกลายาณปุตุชนหรือภิกษุผู้เป็นเสภะ คำว่าควรเป็นผู้มีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสีอย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติรวมความว่าภิกษุควรเป็นผู้มีสติคำว่าเครื่องกังวลได้แก่คันที่เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขาร เป็นวิญญาณไร่ไร่คำว่าในโลกทั้งปวงได้แก่ในอบัยโลกทั้งปวงในมนุษย์โลกทั้งปวงในเทวโลกทั้งปวงในขันธ์โลกทั้งปวงในธาตุโลกทั้งปวงในอายตนะโลกทั้งปวงรวมความว่าภิกษุควรเป็นผู้มีสติเครื่องกังวลในโลกทั้งปวงคำว่าเพ่งพิจารณาว่าเป็นผู้คล้องอยู่ในเครื่องยึดมัน่น อธิบายว่าชนเหล่าใดยึดถือเข้าไปยึดถือถือยึดมั่นถือมั่นรูปได้แก่ย่อมยึดถือเข้าไปยึดถือถือยึดมั่นถือมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติอุบัติปฏิสนธิพบสงสารวัตตะชนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าผู้ข้องอยู่ในเครื่องยึดมั่น คำว่าว่าเป็นคำสนทิคำว่าว่านี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าเพ่งพิจารณาได้แก่เพ่งพิจารณาและเห็นมองเห็นเห็นมองดูเพ่งพินิษพิจารณารวมความว่าเพ่งพิจารณาว่าเป็นผู้คล้องอยู่ในเครื่องยึดมั่นคำว่าหมูสัตว์ในคำว่า มูสัตว์นี้ผู้ติดอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุราชเป็นชื่อของสัตว์คําว่าบ่วงแห่งมัจจุราชอธิบายว่ากิเลสขันและอภิสังขารเรียกว่าบ่วงแห่งมัจจุราชมูสัตว์ข้องคือติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันในบ่วงแห่งมัจจุราชคือบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งมรณนะอธิบายว่าสิ่งของที่ข้องคือติด เกียวเกาะติดเกี่ยวพันติดตรึงอยู่ที่ตะปูข้างฝา้าหรือที่เครื่องแขวนทําด้วยงาช้างฉันใดหมู่สัตว์ข้องเคยติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันในบ่วงแห่งมัจจุราชคือบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งมรณะฉันนั้นรวมความว่าหมูสัตว์นี้ผู้ติดอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุราชด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดเพ่งพิจารณาหมู่สัตว์นี้ผู้ติดอยู่ในบ่วงแห่งม จ, จุราชว่าเป็นผู้คล่องอยู่ในเครื่องยึดมั่นควรเป็นผู้มีสติไม่พึงเข้าไปยึดถือเครื่องกังวลในโลกทั้งป่วงพร้อมกับการจบคาถาพัทราวุฒมานพโดยประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดา ข, ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวก พัทราวุฒิมานวะปัญหานิเทศที่สิบสองจบสิบสามอุทยะมานวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของอุทัยมานกท่านอุทยัยทูลถามดังนี้ ข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีฌานปราศจากทุลีประทับนั่งอยู่ผู้ทรงทำกิจสำเร็จแล้วไม่มีอาสะวะทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงขอพระองค์โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องทำลายอาวิชชาด้วยเถิดคำว่าผู้ทรงมีฌานในคำว่าผู้ทรงมีฌานปราศจากทุลีประทับนั่งอยู่ อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีฌานชื่อว่าทรงมีฌานด้วยปฐมฌานบ้างด้วยทุติยฌานบ้างด้วยตติยฌานบ้างด้วยจตุทัฌานบ้างด้วยฌานที่มีวิตกและวิจารเป็นอารมณ์บ้างด้วยฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นอารมณ์บ้างด้วยฌานที่ไม่มีวิตตกและวิจารเป็นอารมณ์บ้างด้วยฌานที่มีปิติเป็นอารมณ์บ้าง ด้วยฌานที่ไม่มีปิติเป็นอารมณ์บ้างด้วยฌานที่สะหอรโคด้วยความแช่มชื่นบ้างด้วยฌานที่สะหอรโคด้วยโอเบขาบ้างด้วยฌานที่เป็นสุญญตาบ้างด้วยฌานที่เป็นอนิมิตะบ้างด้วยฌานที่เป็นอภันนิหิตะบ้างด้วยฌานที่เป็นโลกียะบ้างด้วยฌานที่เป็นโลกุตระบ้างคือทรงเป็นผู้ยินดีในฌานทรงขวขวาในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว ทรงหนักในประโยชน์ของพระองค์รวมความว่าผู้ทรงมีฌานว่าด้วยทุลีคําว่าปราศจากทุลีอธิบายว่าราคะชื่อว่าทุลีโทสะชื่อว่าทุลีโมหะชื่อว่าทุลีโปทะชื่อว่าทุลีอุปนาหะอกุชลาภิสังขารทุกประเภทชื่อว่าทุลี กิเลสที่เรียกว่าทุลีเหล่านั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาดแล้วตักรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตักรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่มีทุลีปราศจากทุลีคือไร้ทุลีบํารากทุลีละทุลีได้หลุดพ้นทุลีได้ ก้าล่วงทุลีทั้ง ป, ปวงเสียได้ราคะเราเรียกว่าทุลีเราหาเรียกละอองว่าเป็นทุลีไม่คําว่าทุลีนี้เป็นชื่อของราคะฉะนั้นพระชินเจ้าผู้มีพระจักสุทรงละทุลีนั้นแล้วจึงเรียกได้ว่าผู้ปราศจากทุลีโทสะเราเรียกว่าทุลีเราหาเรียกละอองว่าเป็นทุลีไม่คําว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโทสะ ฉะนั้นพระชินเจ้าผู้มีพระจักสุทรงละทุลีนั <S <S ้นแล้วจึงเรียกได้ว่าผู้ปราศจากทุลีโมหะเราเรียกว่าทุลีเราหาเรียกละอองว่าเป็นทุลีไม่คําว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโมหะฉะนั้นพระชินเจ้าผู้มีพระจักสุทรงละทุลีนั้นได้แล้วจึงเรียกได้ว่าผู้ปราศจากทุลีรวมความว่าปราศจากทุลี คำว่าประทับนั่งอยู่อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปาสานกะเจดีรวมความว่าประทับนั่งอยู่พระสาวกทั้งหลายผู้มีวิชาสามละม จ, จุได้นั่งห้อมล้อมพระมุนีผู้ถึงฝั่งแห่งทุกขประทับอยู่ข้างภูเขาพระผู้มีพระภาคชื่อว่าประทับนั่งอยู่อย่างนี้บ้างอีกในหนึ่ง พระผู้มีพระภาคชื่อว่าพระทับนั่งอยู่เพราะทรงเป็นผู้สังัดจากความขนควายทั้งปวงแล้วทรงอยู่ในอริยวาธรรมแล้วประพิจารณธรรมแล้วพระองค์ไม่มีการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคชื่อว่าพระทับนั่งอยู่อย่างนี้บ้างรวมความว่าผู้ทรงมีฌานปราศจากทุลีประทับนั่งอยู่ คำว่าดังนี้ในคำว่าท่านอุทัยทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคำว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าว้วยความเคารพคำว่าอุทัยเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านอุทัยทูลถามดังนี้คำว่าผู้ทรงทำจิตสาเร็จแล้วไม่มีอาสวะอธิบายว่าจิตน้อยใหญ่ เือกิจที่ควรทำและไม่ควรทำพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้ทรงทรรมกิจสาเร็จแล้วภิกษุผู้ไม่มีทิฏฐิที่ ท, ทาให้ตกไปตัดกระแสขาดแล้วละกิจน้อยใหญ่ได้แล้ว ย่อมไม่มีความเร่าร้อนว่าด้วยอาสะวะสี่คำว่าทรงทมกิจสำเร็จแล้วไม่มีอาสะวะอธิบายว่าคำว่าอาสะวะได้แก่อาสะวะสี่อย่างคือหนึ่งกามาสะวะสองพวาสะวะสามทิฏฐาสะวะสี่อวิชชาสะวะอาสะวะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาดแล้ว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 ถึงฝั่งได้ด้วยการกำหนดรู้ถึงฝั่งได้ด้วยการละถึงฝั่งได้ด้วยการเจริญภาวนาถึงฝั่งได้ด้วยการทำให้แจ้งถึงฝั่งได้ด้วยการเข้าสมาบัติถึงฝั่งได้ด้วยความรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงถึงฝั่งได้ด้วยการกำหนดรู้ทุกทั้งปวงถึงฝั่งได้ด้วยการละกิเลสทั้งปวงถึงฝั่งได้ด้วยการเจริญอริยมรรสีถึงฝังได้ด้วยการทาให้แจ้งนิโรธ ถึงฝั่งได้ด้วยการเข้าถึงสมาบัติแปพระองค์ทรงถึงความชํานาญบรรลุบารมีในอริยศีลทรงถึงความชํานาญบรรลุบารมีในอริยสมาธิทรงถึงความชํานาญบรรลุบารมีในอริยปัญญาทรงถึงความชํานาญบรรลุบารมีในอริยวิมุตติพระองค์ทรงถึงฝั่งบรรลุฝั่งถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุด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 พระผู้มีพระภาคนั้นทรงอยู่ในอริยว่าจัตธรรมแล้วประพฤติจรณะธรรมแล้วพระองค์ไม่มีการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงคําว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าอธิบายว่าข้าพระองค์มีความต้องการได้ปัญหาจึงมาเข้าเฝ้าแล้ว เพอปรารถนาจะทูลถามปัญหาจึงมาเฝ้าแล้วมีความปรารถนาจะฟังปัญหาจึงมาเฝ้าแล้วรวมความว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งการมาเฝ้าการเข้าเดินเข้าเฝ้าการเข้าไปเฝ้าการเข้าไปนั่งใกล้พึงมีแก่ผู้ต้องการปัญหาคือผู้ปรารถนาจะถามปัญหาผู้ปรารถนาจะฟังปัญหา รวมความว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพระองค์ ông, ทรงมีอาคมแหล่งความรู้แห <ท 'S S 1> <respective> ่งปัญหาทั้งพระองค์ทรงองค์อาจทรงสามารถที่จะตรัสบอกเืยวิจัชนาปัญหาที่ข้าพระองค์ทูลถามข้อนี้เป็นภาระของพระองค์รวมความว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าอย่างนี้บ้าง คำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกอธิบายว่าความหลุดพ้นด้วยอรหัตผลตรัสเรียกว่าอัญญาวิโมกขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศความหลุดพ้นด้วยอรหัตผลด้วยเถิดรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมก คำว่าอันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาด้วยเถิดอธิบายว่าอันเป็นเครื่องสลายเป็นเครื่องทำลายคือเป็นการละการเข้าไปสงบการสลัดทิ้งการระ ง, งับอวิชชาได้เป็นอมตะนิพานรวมความว่าอันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาด้วยเถิดเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าท่านอุทัยทูลถามดังนี้ข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถาม จึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีฌานปราศจากทุลีประทับนั่งอยู่ผู้ทรงทำกิจสำเร็จแล้วไม่มีอา จ, จะวะทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงขอพระองค์โปรตรัสบอกอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องทำลายอวิชชาด้วยเถิด มีพระภาคตรัสตอบว่าอูไทยเราจะบอกอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องละความพอใจในกามและโทมนันทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบรรเทาความย่อท้อและเป็นเครื่องกั้นความขนองคําว่าอันเป็นเครื่องละความพอใจในกามอธิบายว่าคําว่าความพอใจได้แก่ความพอใจด้วยอํานาจความใคร่ความกําหนัดด้วยอํานาจความใคร่ ความเพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่ความทะยานอยากด้วยอำนาจความใคร่ความเยื่อใยด้วยอำนาจความใคร่ความกระหายด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ความสยกด้วยอำนาจความใคร่ความติดใจด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายห้วงน้ำคือความใคร่กิเลสเป็นเครื่องประกอบคือความใคร่กิเลสเครื่องยึดมั่นคือความใคร่ กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในกลามทั้งหลายคำว่าอันเป็นเครื่องละความพอใจในกลามอธิบายว่าอันเป็นเครื่องละคือเป็นเครื่องเข้าไปสงบสลัดทิ้งระงับความพอใจในกลามได้เป็นอมตะนิพพานรวมความว่าอันเป็นเครื่องละความพอใจในกลามคำว่าอุทัยในคาว่า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 ความไม่แช่มชื่นทางใจความทุกข์ทางใจความสวยอารมณ์เป็นทุกข์อันไม่แช่มชื่นเกิดจากสัมผัสทางใจทุกขเวทนาอันไม่แช่มชื่นเกิดจากสัมผัสทางใจคําว่าและโทมานะทั้งสองอย่างอธิบายว่าการละการเข้าไปสงบการสลัดทิ้งการระงับความพอใจในกลามและโทมานะทั้งสองอย่างได้เป็นอมตะนิพพานรวมความว่า และโทมนัสทั้งสองอย่างคำว่าความย่อท้อในคําว่าเป็นเครื่องบรรเทาความย่อท้ออธิบายว่าความที่จิตไม่คล่องแคล่วความที่จิตไม่ควรแก่การงานความหดหู่ิริยาที่หดหู่ความท้อถอยปริยาที่ท้อถอยภาวะที่ท้อถอยความย่อท้อิริยาที่ย่อท้อความเป็นผู้มีจิตย่อท้อ คำว่าเป็นเคร tamam. ื่องบรรเทาได้แก่เป็นเครื่องบรรเทาคือเป็นเครื่องละเป็นเครื่องเข้าไปสงบสลัดทิ้งระงับความย่อท้อได้เป็นอมตะนิพพานรวมความว่าเป็นเครื่องบรรเทาความย่อท้อว่าด้วยความขนองคำว่าความขนองในคำว่าและเป็น e เครื่องตั้งความขนองอธิบายว um ่า <ím> <tem u pper overhead>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 ความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเห็นปานนี้นิตรัสเรียกว่าความขนองอีกในหนึ่งความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุง้งซ่านเกิดขึ้นเพราะเหตุสองอย่างคือหนึ่งเพราะทำสองเพราะไม่ทำความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะทมและเพราะไม่ทำเป็นอย่างไรคือความขนองความเดือดร้อนจิต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 เราทำแต่กาเมสุมิฉาจาร์ไม่ทำความงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจาร์เราทำแต่มุสาวาทไม่ทำความงดเว้นจากมุสาวาทเราทำแต่ปิสุนาวาจาไม่ทำความงดเว้นจากปิสุนาวาจาเราทำแต่พุรุสวาจาไม่ทำความงดเว้นจากพุรุสวาจาเราทำแต่สัมผัสปลาปะไม่ทำความงดเว้นจากสัมผัสปลาปะ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 ความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นว่าเราไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหกไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่เสมอไม่มันประกอบสติสัมปชัญญะไม่เจริญสติปฐานสี่ไม่เจริญสัมมาปทานสไม่เจริญอิทิบาสีไม่เจริญอินทรีย์ห้าไม่เจริญภละหไม่เจริญพุทชงเจ็ด ไม่เจริญอริยมรรคมีองค์แปดไม่กําหนดรู้ทุกข์ไม่ละสมุทัยไม่เจริญมรรคเราไม่ทานิโรธให้ประจักษ์แจ้งคาว่าและเป็นเครื่องกั้นความขนองอธิบายว่าเครื่องติดเครื่องกั้นคือการละการเข้าไปสงบการสลัดทิ้งการระงับความขนองได้เป็นอมาตะนิพพานรวมความว่าและเป็นเครื่องกั้นความขนอง ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุทยัยเราจะบอกอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องละความพอใจในกามและโทมมานะทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบรรเทาความย่อท้อและเป็นเครื่องกั้นความคนอง ผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราจะบอกอัญญวิโมกที่บริสุทธิ์เพราะมีอุเบขาและสติที่มีธรรมตั ก, กระเป็นเบื้องต้นเป็นเครื่องทำลายอาวิชชาคำว่าอุเบขาในคำว่าที่บริสุทธิ์เพราะมีอุเบขาและสติได้แก่อุเบขาคือความเพิกเฉยความเพิกเฉยอย่างยิ่งความที่จิตสงบความที่จิตสงบความที่จิตเป็นกลางในจตุทชา คำว่าสติได้แก่สติคือความระลึกถึงสัมมาสติปรารกฏอุเบกขาในจตุตัชฌานคำว่าที่บริสุทธิ์เพราะมีอุเบกขาและสติอธิบายว่าอุเบกขาและสติในจตุตัชฌานสะอาดคือหมดจดบริสุทธิ์สะอาดพร้อมผูดพองไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่น ถึงความไม่หวั่นไหวรวมความว่าที่บริสุทธิ์เพราะมีโอเบคาและสติคําว่าที่มีธรรมตะ ก, กะเป็นเบื้องต้นอธิบายว่าสัมมาสังกัปปะตระเรียกว่าธรรมตะ ก, กะสัมมาสังกัปปะนั้นเป็นเบื้องต้นคือเป็นเบื้องหน้าเป็นหัวหน้าแห่งอัญยาวิโมรวมความว่าที่มีธรรมตะ ก, กะเป็นเบื้องต้นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่ง สัมมาทิฏฐิตราสเรียกว่าธรรมตักกะสัมมาทิฏฐินั้นเป็นเบื้องต้นคือเป็นเบื้องหน้าเป็นหัวหน้าแห่งอัญญาวิโมกรวมความว่าที่มีธรรมตักกะเป็นเบื้องต้นอย่างนี้บ้างคำว่าเราจะบอกอัญญาวิโมกอธิบายว่าความหลุดพ้นด้วยอรหัตผลตรัสเรียกว่าอัญญาวิโมกเราจะบอกคือบอกแสดงบัญญัติกาหนด เปิดเผยยำแนกทำให้ง่ายประกาศความหลุดพ้นด้วยอรหัตผลรวมความว่าเราจะบอกอัญญาวิโมขําว่าอาวิชาในคาว่าเป็นเครื่องทำลายอาวิชาอธิบายว่าความไม่รู้ในทุก์อวิชาอากุศลโมลคือโมหะคําว่าเป็นเครื่องทำลายอธิบายว่าเป็นเครื่องสลายเป็นเครื่องทำลาย คือการละการเข้าไปสงบการสลัดทิ้งการรังรับอวิชชาเป็นอมะตะนิพพานรวมความว่าเป็นเครื่องทำลายอาวิชชาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าเราจะบอกอัญญา ว, วิโมกที่บริสุทธิ์เพราะมีอเบคาและสติที่มีธรรมตั ก, กะเป็นเบื้องต้นเป็นเครื่องทำลายอาวิชชา อุทยัยทูลถามว่าสัตว์โลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นเพราะละอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพานคําว่าสัตว์โลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้อธิบายว่าอะไรเป็นเครื่องประกอบคือเครื่องเกี่ยวข้องเครื่องผูกพันเครื่องเศร้าหมองของสัตว์โลกโลกถูกอะไรประกอบประกอบทั่ว ป ร, ประกอบทั่วถึงประกอบพร้อมเกาะติดเกี่ยวข้องพัวพันไว้รวมความว่าสัตว์โลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้คำว่าอะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นอธิบายว่าอะไรเล่าเป็นเครื่องสัญจรเที่ยวไปคือท่องเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นคือโลกสัญจรไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปด้วยอะไร รวมความว่าอะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของจัตว์โลกนั้นคำว่าเพราะละอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพานอธิบายว่าเพราะละคือเพราะเข้าไปสงบเพราะสลัดทิ้งเพราะระ ง, งับอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสเรียกคือกล่าวพูดบอกแสดงชี้แจงว่านิพพานรวมความว่าเพราะละอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพาน